บุกทูสิบเก้าเดวิปัสมิในห้องครัววิร์ตูเวคุณมีห้องครัวใหม่ใช่ไหมคะไว้์เทวิร์ยอนาวิรตูเว วันนี ā, s, ā ā an, ้คุณอยากจะทำอาหารอะไรคะกุ้ยชวเดนเวลิสกัตาตรคุณใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สทำอาหารไฟตูกัตาบุอุสอเลกทริสกัสไฟอุสกัสปลีดดิฉันควรจะหั่นหัวหอมดีไหมคะไฟมันกรซีปลุส ดิฉันควรจะปอกมันฝรั่งดีไหมคะไว้มัน n ัวมิสวดการ์ตูเปลิดิฉันควรจะล้างผักกาดหอมดีไหมคะไว m a ันนัวมั ā t ั s สลอตุสแก้วน้ำอยู่ที่ไหนกูดเ r ีย ā ์กลจานชามอยู่ที่ไหน คอคชอนซ่อมและมีดอยู่ที่ไหนคอีดรุมคุณมีที่เปิดกระป๋องไหมคะวตอคอนเซ k ร์บุอตซมสคุณมีที่เปิดขวดไหมคะวตอพเลอตซม คุณมีที่ดึงจุกกอ๊อกไหมคะ Vai tev ir k o t juvilis คุณกำลังทำซุปในหม้อใบนี้ใช่ไหมคะ Vai t r i s u z u s i a katla คุณกาลังทอดปลาในกระทะใบานี้ใช่ไหมคะ Vai t e p su zivisija p a n a คุณกำลังย่างผักบนเตาย่างนี้ใช่ไหมคะ Vi t u g r i l l ē s i d ā r z e ņ u s u z šī grilla. ดิฉันก a ลังตั้งโต๊ะ e s k l ā j u d o นี่คือมีดซ่อมและช้อน a ž i d a k š i a s un k a r o tes. นี่คือแก้วน้ำจานและกระดาษเช็ดปาก t